ขั้นเก่าคอยกอบใส่จัดมุนจัดไหวเหมืออันนั้นห่อกรเบื้อยอมแล้วอัน น, นมีจักราเทพสาวมันหากันหาพราะองค์เก้ากระส่งอนุญาตดีแล้วห่าปฏิบัติมากกบ่าปฏีบัติปันสมือนี่ดอกหลังทั้งข่าเอาข้เก่าขเขาตัดจุนหรอกมาท่ามูเนี่ยมันวัฒ น, น, น, นาล่ายก็ห่อห้องขนขีดทุกบวชมากกับบาดของม่นบาดเก่าขเขา นูห้องนี่สนุกเลือกเอาเพรมันจะแต่เน็ตก็ไป่จังได้เออเอ า, าหน้่าบอกบ่ข้นโดนแบบเรือกเขา่อยากออาไปไน้่ยละ่ะยางตามของเขาให้เรือบเถอะถ้าในผ้าคือกันท้าเนี่ย ข, ของผ้า ขันว่ามันผ่าได้ปีนี่ ก, น oney, ก, นก็บพจะยปรัตตกับพระถือได้ส้มเก้าก็เก้าไปเรื่อยมัดกับพระถึกอันนี้ก็ได้กับว่แม่ห่วงว่าให้ไม่เป็ี่ยนท่อมมันพุ่มว่าพุทธศาสนากับว่าแม่เท่าคนเดียววัดกันยังวัดทันห่างอันนี้วัดกันยังเป็นวัดเต็มภูมิอันนี้เทาสิขึ้นจากบูซาได้กี่เดท่าคนเดียวกับพระถึกเขาว่าขึ้นหนาขึ้นลัง อันนี่ผาที่มันบางพ่อตัดผ่าทั้งขาได้พอเป็นผ่าทั้งขาได้พ่อเป็นมุ่งได้หอกกระเสวงเลยพัตัดผ่าทั้งขาพอข่อความเรียงซีเรีงยรงหนุยผู้อื่นนี่หลอกสันอันผาพอทิมเอกกางทิมแน่ะพ่อพทิมกยาสุทิม ก็ให้มีตามีจุ น, จนในจักรบอลวแต่ะขาดกลางในถิมโรดถิมโรดเต็มนีน้อกุศน้อกิตมือนไประุกหรือไม่จากต้อกางนี่ดิขึ้นเบื้องพระอนตนดูกพระขาดแล้วเขยังเอาไปฟักไปหย่ำใส่เปียท่ากุติอันที่มันแอมใหม่โดยใหม่โดยยังเอาไปท่าไปยังหรือฟักแล้วผสมกับ ผสมกับดินปั้นเจา่ามันจะทรงอนุญาตว่าพระอนุนเป็นผู้มีคติอมเมือนี่แล้วมาปนะีนั้นน้ำมาเทศอย่างฟั ง, ฟงซา้าดีกระถินพระเบียงเปิดหนึ่งเบียงกันนาวเอาไปเช็ดตีนพระ ด, ด, ดีอยู่เราเลยเอาไปซักไว้เเก็บนี้ สมควรพอเฮ็ดเพานจังเฮ็ดม่สมพวรพอเฮ็ดเพืด่านยะสุดเเฮ็ดองพุทธโลกวัทวงทนินเนึงเาคยจกายเพียรพาเพืดานเพื้นนี่ก็ดีดีโย่บรเห็นขาดจากบอนเป็นยุทธรรมคนนออมาเป็นทธธรร ม, มปเป็นคือท่านอมุนก็ใส่เพรได้เอาไปเอาไปเฮ็ดน้ำเอาซุกี้ยดใจแหละพิมกอองโยกทุกน สามผืนสี่ผืนตัดเอาไหมตะผุดขันถือพ่อออกกับสูงใบทิมแยกกัยั่งดีเอาวะบ่บ่ดีบ่ถือเนาะประเทศใครวะข้าวอยู่บ้านชี้เชียงใหม่บ้านอมอชีเชียงใหม่แล้ข้าอยู่บ้านวังแถวบ้านนาที่ด่านพ่อกาหมังกาหมังนี่ทิมพอกาหมังก็หมังนี่ถิมประเทศเพืด่าน ญาโยมเขารกว่ามาฮหยตีบานเนี้ยเขาสังเกตเป็นว่าผู้ใดบ่มีเขาจังเอาไปบองคุดเอาไวาสันถือทอละม่านเช่นึงในห้องว่าสันหลายปีกว่าสันเขาเห็ดบตัวสันสมื่นมืออึดแล้วเพม่อนไอ้กมีพ่อได้ใส่คือกันคิดกันแต่ว่ามีหน่อยไม่หลายสือ้าอยู่บันไดพอได้ใส่มัด่าสมือนบุญพ่อคุณพระทรรพระสงฆ์อยููุ่บว่าอาจารย์คิดกันว่าแต่มีหน่อยไม่หลายสันอยู่ใ่ก็บ่พอเสียจะตามนาตาบร้องอ คุ้มเพียรมป็นของสําคัญที่สุดสาสาธาิตตั้งอยู่ไในก็เพราะปฏิบัติเพราะคุ้มเพียรแล้วมีทิฏฐิเสมอกันไพรกะหวังผนทุกทุกท่านทุกคนไพรกะหวังปฏิบัติเพื่อศีลธรรมของไพร์ของมันให้มันเจริญไปว่างแผนปลาเทือนเฉพาะกับไปเห็ดจับกกจับเรากันว่างแผนปลาเทือนมัธย์มัธยเจริญแกจะของด้วยมัธยเจริญแกซสํานัก ด้วยแกวงตะกูลท้องเฮ้าอีกด้วยวงตะกูลท้องเฮ้าใช่ไหมค่ะอะไก็ว่องตะกูณลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นส่วนปรมาจิตมันสายอะไรก็สายลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะบ่มันสิสืดเป็นสายหลวงปูมันก็่ไม่สายลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะสายพระในจันทราสายลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคณะสายทันสีก็สายลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคณะอันนี้เถื่อกั ถ้าเปนพ่ อ, พ อ, พอพาาทีกก่เป็นลูกศิษย์เพื่อนในเป็นลูกศิษย์เพื่อไในกันับจะพระโสดาบันขึ้นไปยังสิเตรียมพุ่มตำกนณ์หลงมากกวเป็นลูกศิษย์ส ม, มุต่ะว่าศุววิชาก็คือกันกันเท้าหวังประโยชน์ชวนร่วมเน่ะข้าว่าประโยชน์ชวนร่วมสิหวังําไหนขนาดเท้ามีหลามประโยชน์จนี่อ้าวประเทสจำนี้อ้ า, าวกระไม้ประโยชน์ชวนร่วมตามสติกําลังหลามโยต้องเท้าหม่านี่แหละ <c oughs> เพื่อนอาจรสีเพื่นกระไม้แนวหนึ่งเพื่อนมีบริษัทบริวารหลายเพื่นกระไม้ใหญ่เพื่อก่อเห่าซ้ำเห่าเนี่ยซ้ำรับเห่าของไม้แต้เฉพาะบุญวาสนาเขาโมเห่านี่แหะไม้ประโยชน์่วนร่วมชวนประโยชน์ส่วนตนก็ประโยชน์ส่วนร่วมผู้หวังประโยชน์ส่วนร่วมมันก็เป็นประโยชน์ส่วนตนอยู่ในตัวคือกันอันนี้สองสีเรา หมายประโยชน์ส่วนร่วมเนี่ยมันบริอะไจากเม็ดว่าห่าบุญมันก็ได้มันก็เป็นประโยชน์ส่วนตัวอยู่สาเกลีอันเทาไม้ทําทําไร้ประโยชน์ส่วนร่วมเนี่ยมันก็ทําไร้ประโยชน์ส่วนตัวอยู่กับสำเกลียวของสันเอาลดเหมือมันสีได้เนี่ยมันทําไร้เ้ี่ยถ้าทาไร้ส่วนร่วมกว่าทาไร้ส่วนตัวคือเก่าวังประโยชน์ส่วนร่วมกับวังประโยชน์ส่วนตัวของเกาอันเดียวกันหลวงปู่มหาเค่อยมาได้ถามเรา ไม่ให้ให้แล้วถ้าโกลท่นานยาวเพิ่นไปยุคเดียวเนี่ยไมีประโยชน์ส่วนตนเพิน่นหรือประโยชน์ส่วนรวมมัม้งบ้าไปจากตัวอย่างนี้วะธรรมะก็จะฟ้าเหมือนเพิ่นมั้งฟูสุดของมัป น, น, มม น, มนประโยชน์ส่วนตั่วหรือประโยชน์ส่วนรวมชีวไฮเบนคือคือชีนประโยชน์ส่วนรวมมั วาวภูมินิสัยยังสั่นคือจะเอาเป็นอย่มยางดี่ว่านเพราะมันบุิดทำพีนิจไม่แม่นครู้ขี้ยน้าการน้างานเน่ส่วนด่างฮันนีเนยมันก็เป็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นประโยชน์ส่วนเจ้าของทกอง่ะเจ้าของเฮ็ดยังั่นกับวัตถมันถิ่มิเสียมันก็ได้ประโยชน์ส่วนเจ้าของงคนบุญก็ได้ของสั่นวาสิ่งไดที่มันเบียดเบียนตนสิ่งไหนมันก็เบียดเบียนผู้อื่นก็ได จิงแล้มันเป็นประโยชน์ส่วนตนมันก็เป็นระโยชน์ประโยชน์ส่วนผู้อื่นอยู่ในตัวคือกันข้าว่าสัดชัดชีวิตในสิ่งมันมากินเนี่ยฉนมันก็เบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นตัวสิวายอย่างไรฉันเอาสิ่งเอาหนังเขามากินนี่ยนี่ฉันปวดเอาซิ่งเอาหนังเขามากินเนี่ยนี่โตก็ได้บาปนี่ฮะนี่อันนี้ข้าเมตตาปานี้ี่ฮะนี่ข้าวขาสัดชัดชีวิตเนี่ยฮะนี่นอกจาก็ได้ประโยชน์น้ำสัตว์ทั้งหลายก็ได้ชีวิตน้ำไม่ได้ขว้วเบียดเบียน หนัมันก็ควบเดียวกันอะทีนด้ที่เป็นประโยชน์แก่ตนมันก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในตัวอะไรีนมันเบียดเบียนตนชึ้งนันมันก็เบียดเบียนผู้อื่นในตัวมืนอันเดียวกันยุคนึงยุคนึงกับพระพ่อยปีเกิดมาใครไหวมือกัท่านได้มือมือคิดมือใจมือสติมือปัญญาทั้งมือนอกมือในอนันแหละใครบอท่านไหวมือก็ตายชิซือ เพราอปีจังตายสุข้นของเมีนบ่จะเม็นมือใดบูจะคนวิหน้าที่ใดบูเพราะว่าหน้าเนี่บพบริกรรมอิริบอะไรบริกรรมพ่อจังถึงอุปจารสมาธิเด้่จะใครเลยใช้อ ป, ปนันนาสมาธิเนีย่ยมันสมาธิตุตง่ตงๆสมาธิยิงปัญญามันกับบด้วาดอกอุปจารสมาธิมันก็เดินวิปัสสนานอะไรอยู่ ขณะนี checked, so walk, out, care, ้กาสมาธิเกิดยังเดือนนี้พัฒนาอะอยู่พุโท่ธสั้นเพราะว่าพุทโธมันก็เห็นทั้งควกเกิดความดับของเกจติสิกรลดมันก็เป็นวิพัฒนาไดไรอยู่จะพุทโทวันทีเกิดได้ดับไปใส่ได้เห็นบริกรรมตายตายจริงีิแต่ตายแค่รูปกายหน้ากายนี่แล้วาสั้นถ้ามันโมตายมีอยู่สั้นค่ะมันรู้สัมพยพท้อมกันมันก็เป็นวิพัฒนาคือกัน รูปพร้อมกันในเวลาบริกรรมผู้รู้มีมยุคหนึ่งนี่ผู้บริกรรมมียุคหนึ่งนี่เด็ดนิสันภวิหนของหเพลินเพลนเปียบเหมือนได้ลอยดอกไม้ตั้งสีมายูน้ากันสีแดงบางสีขาวบางพรคนเกิดตะกูต่างขันผสมมาเสมอจึงเอาพระวิน่นเป็นเครื่องห้อย คือหอยดอกใหม่ดอกไม่จ้างสีนสายสร้างผู้สลาดหอยไว้แล้วก็ดูงามเขาคนจ้างตะกูต่ตจ้างนิสัยใจคอมากยังมีพวินยัยหอยเป็นเครื่องกับจัดกิดเลสย่างหยากว่ะแสนพาวีน่าวัดเวีจวัตรกุติวัดเซนาสนะวัดชั้นตราวัดมันลงไฟ บินธบาศวัดปฏิสันฐานวัดธรรมเทศนาวัดจัดเข่าในสีลวัดเมื่อันมณีจัดเข่าในพาะวนาวัดจัดเข่าในสมาธิวัดปัญญาวัดทั้งนั้นล่ะกันท่ไหนจัดเข่าในสีลวัดได้ทีงเรื่องจัดเข่าสมาธิวัดปัญญาวัดได้คือกันเพราะมันส่งเสริมกันมันเป็นอัญมณ์มัญญากันขอวัดบ่อัญยา์เองยังเฉื่อย อ่าบนำเขาก็อาบพูดเดียวเขาตื่นขึ้นมาว่าได้เอาพิษเอาถือกับไฟขึ้นมากดตีกับหนำหอนเขาก็มาเฮ็ดไว้แล้วใครจ้คู่อะไร ห, ห, หันออกมาได้สงสงพูดเดียวโลดไปโลดยน่ามวยแร่งก็เป็นจะเพียงว่าเปลี่ยนให้ผู้ใดผู้นึงพอยืินถาให้พ่อเป็นพิธีจือเมื่อไหนว่าทูหลังทูวอะไรเมดวัดเมดว่าต่างกกต่างเล่ากันพี่สังต t a ควบมูนไหวให้มูมัดแล้วง่ามัเคลื่อนคำว่าปวดหลังมันถ้ามาถึงถือเอาตะลับน้ำมันเึิงกับยาอันนั้นแหละครับไปหากุดหมู่หุ่นไห้มูทูห้เขียวคืนมาแทงคืนเมื่อโตสะไปหาจังไหนหาครูบาอาจารย์ไปหาผมู้ในทีบ้นิทว่า ไ, ได้ยามาซ่องหนึ่งไแก่กมู่ว่านุ่มเมื่อเนิ่ยได้มาเห็นเอาไวท้ทายเ ห, ห่าได้แหมเมู่อโต่าสุ ก, กินกินยังก็ได้อยู่เห่ากับบรารว่า เอาไม่แกกเม็ดเท่งไงหน่อยไ อ, นไ อ, ไอน้นุ่มไอ้เทาไอ้ยังนู้ตัวไปหาจังไหนอีกไปหามวกนู้ในโลกอันนี่ไปดูหงอยู่ห้อหงกินเด้สันว่าร้ายมันเงื่องหางจากของขี่ศัสนาผู้อื่นจับเศนบะเก็บบะป่วยกับระเลวุนในว่ายแต่แน่งยังสีว่าบุมมีเวลาภาวนาอยู่ห้วยห้องกับเมื่อชัท่ามือเือกัก น, กนแล้วแลมันหาอารวาดได้หนิว่าให้แจง้งได้ทีด้นิ่มันเจาะอารวาดได้หนิสันบอกว่าสันมัน ไฟบ e yes> ่อไปต่อไปไฟฉุนกลมันบอดดบแล้วมันหาพิษเด้นิแลมันจือเป็นเจ้าอารวาสได้หนอกให้นึกให้คิดได้บอกให้สลดใจได้หนิไม่สันสีว่าที่โตถึงนาเดียวสีว่าแต่ห้าพิษเดียวนี่สีว่าถ้าแต่ห้าผสมทานะโตเมื่อใดกูได้คู่กับอาจารย์ผสมทานะปฏิวัติฉนอกผสมทานะกูปฏิวัติฉนอบอกว่าจริงมันให้ฟังหนิอื่นมันหายแต่เมื่อเศ้าคนว่า ก่มาไงร่องมเลยด้อันไม่สีฟันเอาไว้ที่พุกก่นห่าบวกลี่ปฏิบัติคูว่าอาจารย์มาเอามาเสียบไว้หผะจับง่ายๆก็ได้ให้บไงที่เหมือนเอล้ยว่าสันกให้คสะดวกกันเท่านี้ก็ได้บอกว่าสนกกนันมือกระโดะบอกหรายเืรอเหมือสีฟันเอามาเสียบไว้ในห้อง น, นี้ใหหนให้อไงจะเยอกง่ายๆนีว่าสัน นี่บ็ดิ่งไปจนสิหัวสักผุนยุทีบได้ผุนเอาผู้สีเออมาเสีาายไว้าาบางอยังงให้บางไงที่มือเสานี่มัเคยปฏิบัติมาแล้วใช่หละส่างร้างพี่ละีฮีลืองเอามาสืบไหวไ้ใสิสือไหว้เมันก็เฮียไปเหียไปที่ขอวัดมือนี้ว่าท่น่จริงไม่ได้ถือตัวหรอกผู้เกิดสุดทยพ่ายลังก็จะเข้าใจว่าคอวั ด, ว ด, วดครอบพุศสานนามีเท่านี้ว่า่ายบงไงแล้วมือเสา่ลาขานี้มัดไฟสุมกุตีถิมือว่าท่นแล้วเหา ตัวกระทืบข่ายเท่นึงยวนบ้านเรื่องนี้ตัวเรื่มทักน้มก็ให้อุปชาตื่มมือสามาพุทธาวบมีลังนาตีพุทธากกจมแล้วมันอัคตัยูวว่พระสัากีว่านกันก็หายยังก็หา ย, ยง่ามอันใดบ่หาอันนั้นาันเนรอเพื่อรอถืออยู่เลย่ามอันใดบ่หาอันนั้น อันผู้นี่เริ่มผู้อื่นก็อดพบำงเล้วว่าสันเปิป็นบองไปอีกว่าว่าบอกว่ามีบันเชียงนี่ก็ได้ก็ทั้งแม้อาจารย์ทุกคนตัวว่าสันภาวนาอุปัชาทุกคนตัวอุปัชายผู้เดียวจะพูดกันมากอุปัฏากไก่หนี่บอกว่าสันเียงจังบำงแล้วว่าสันภาวนาว่าเปิก็บอกว่ามีบันเชียงนี่อุปชฌานี่ก็ได้ให้เห็นหน้าสำนัมเนี่ย แค่นั้นมาเคิดตายแล้วก็ได้สองตาตับอมือนี้เสดมหานะถ้าก่นมาดอมกสมอี้นี่ฟังเสียงเท่บกสมอใส่คู่ัสนายินฮัพ่มโมโลคุณูกูเก่งคูเกู่่เ่โอ้ยวัชร์ม่อโตให้ค่คยๆคนนั้นมาได้บอกวัชรนั่นคือโพดคือเหลือเท้าวัชรผ่ากรมียุหันกะติดเท่แห้งเลยเลยียวลงปู น่อยอยู่หันเทียงหลวงปูพะมาหน้าอยู่ไม่พบายใจข้นเห็ดตามอำเภอใจไวสันบึมบัมบึมบัมซึ่งดีนินหอดพมโมลูกขอนเสียงเท้บอกสมอห้อยไปติหน้ยกุตีนี่เข้าที่ปเทศลงเหวผลหมดได้นีไวสันกินบัเป็นไวสันไม่จัดรัดปัญญานั่นถ้ากมีฟงเสียงอ่ะอุ้ยเดเชงเทนะหันเทียงหลวงปูน่อับอยู่อยู่หนียงงปูพะหน้าอยู่ก็ดี ม่นเกิดไปทอกี่อวายเทพวายยำมันกับบอปานั่นเทบุ๋มนี้่อกุ้งเกงกุงเก่งงเก่งนี่หอนสดใุมันเล้วงง่ายกับของแมนบ่เก่าเที่บเสียบที่เอานเอายู่หันดราม่าในห้องก็บบ๊อบวาดอกบ๊อบทีจับพิจับถือก็ได้หรอกคือบ๊อซ้ำเนียก็ดอกกี๋บว่าสันทนาว่าของเท่านั้นมันก็บบพี่กหน้าแพ่อพันฝ้าวัหน้าบ๊เปลี่ยนนี้บ๊อบสันทนาว่า อันไม่สีฟันก็เท่ากัน่ะอาจารย์ีวัดมันมีจังเมตตาพ่อ่วนามิจฉมานาทิถีอยู่ไว้ท่านเนี่บวกมาณาทิถีสมือสูมือครงงครึ่งงอยู่ว้านเ่ย่างบาเลยอ่ะตัวตัเ่ค่อยจะปฏิบัติมาตกองคู่บาอาจารย์นังสั่ค่อยจะถึอหัวมวมมากขึ้นกันว่ามันหมายพวกมาดีแล้วถือคอดเพิ่นหัวมวมมากขึ้นกันอ่ะเอามาเอามาเทศน์ว่ามันตดีเมื่อแต่เดียวดิถือคอดเพิ่นหัวมวมากขึ้นกันนะ เดี๋ยวย้คู่บาอาจารย์หลายองค์อยู่พูนพ้นให้จับเส้นชี่ทุ่มหาทุ่มทุกทุ่มเดีลยวเปลี่ยนเวาลากันอันนี้ไม่ได้ให้เฮ็ดนี่อายุสะดวกสะดวกนี่เนี่มหลวงปู่มันว่นได้ไปพ้นเขาของน้อนได้ได้ทรงเขาของน้อนสมือสมืมอเขาพ้นเท่าเจ็บสิบแปดสิบแล้วผมบอว่าภาวนาอนัตตา พอออกาวนาเป็นเตสักวาลูประธานน่ะมันเคืนจังว่าก็รักเดียดแทบเพราะว่าได้อาหาเพื่นน่ะเป็นเตสักวาลูควรเตือนก็มี่ได้เป็นอนัตตาหายก็มี่ได้อนาตตาตักเตือนก็มีเนยอนัตตาคมก็มี่เนี่ยว่ามันสี่อนัตตาอนุโมทนาหลวนลด้เป็นเตสักวาลูเตือนก็มี่เนี่เป็นเตสักวาลูเฉยก็มี่ได้เป็นเตสักวาลูหายก็มี่ได้เนี๋ยี้ สมาคือมรพบนี่พลานแทประเทศเนียเ่ยเม่กีเลยทอผู้ทอผ้าเนี่ยรปรากฏว่าเะไนดะ้หันเป็นประชาธิปไตลกง่ายๆด้หัะนะอืมง น, นตัวอีกตัวมันได้แล้วนี่นี่นี่ น, นี่ยิ้ม ย, ม, ยมอยู่นี่นี่ตัวที่นึงมั น, นคือพสมแท้พออะไรปร ะ, นนประาพิออปไเอาจ้าปักมาหันดีะจะเหะมายองมง่าย ไ, ได้มนุษย์งานหมอ มันย่องไปไห้เละุษย์เนี่ยมีปองลรไปรลเนี่ยจะถือวิปัสสนาหาย ไ, ได้ทั้งนีง้เครื่องมืออันหนึ่งนักใจที่สุดพอเห็นมันจะเก็บเลยตาเดียกับตาขี้หันเลยเ้นี่เด้ออันหนึง่งมันผิดกับปฏิบัติมากครับครูบาอาจารย์ ต า, ยตาียรก็หัแล้วว่บอกเขาเก็ บ, บก แ, กแล้วอันนี้ฉะนั้นมีทาวเสียมมาสัน่าขึ้นกัน น, นี่เวลาทา ง, งานคุกุยตากเกียด้วหันแล้วครับผู้ที่ออกขาวโฮมกบมีเล่ยขึ้นกันเก็ บ, บก็คือกั น, กกกนถ้าเสียเก็บไว้ไส่ิมหะไปแขวมันมนู่นของมันพ่ยติสณะฝน นี่น้ำลวงผู้มันขุดยกขุดเสียมแล้วนะได้ล่างวัดน่ะพระพอนเอาข้าวชิดินไปไว้ล่างไว้เรียบนี่ถ้าออกการออกงานคือการถามอันหนึ่งบอเห็นเน่ยเอาแล้วผู้เฒ่าห้องครับวัดล่ะไปหายทั้งซิปนาที่เศ้านะที่ยังไดอันบางคนเอาไปไว้ส่วนตัวแล้วเป็นค้อตีตะปูเมันกันมีการมีงานาเพิ่นถ้าจะิหาเพิ่นท่านเนีถามหาฝ้าออมาแนี่ยสั่งก็ยังไข่อยู่ถามหา วาเเห็นสั่งไคก็่อยากออกมาใส่ขนาดเอาไปไว้คุดล่ะอันนั้นก็เป็นตะซั่งก็ถืออันนั้นนหน้าฝนเมื่อบ้านขอนทีตะปูของคนมีเท่าไดสะแรกของฝนมีเท่าไดเอาให้มันถือของฝนได้จะไปกับไปตูนไว้ได้มันที่เป็นอาวัติเด้อยากเป็นบอกมันดีบว่าอาวัตอ่ะขอนของฝนมีเท่ามันฮักเท่าไดมันเพเท่าไดระแรกของฝนมีเท่าได ส่วนมันขาดมันเทพไปแล้วทะเลาไปสเป็นจังปูจีนรักษาศาสนามันรักษามดสูงแน่นี้มันรักษาแท่อันเดียวเด้ของสองบ่อยากรักษาเนี่แบบหนึ่งเขาไม่ติดทีู่่ได้ขึ้นไปแล้วม า, มาถึงเรียมถึงไร่เดี๋ยวยุศน์กลางมูแ ล, ล้บวบัมันบัวมันเห่าไปสืบปรยูรกุตีปากข้างผุนท่านขึ้นมาหลายท่านหลายคนเนี่ ยศภาพภาพไปหาเสศษศาสตร์ภาพไปหาเรื่องขาผ้าเนี่ยยศภากับไปแม้แต่พ่อแม่คู่ว่าอาการย์ผู้ขาบูนไหวแม้แต่สำนักบุรีแต่ภากับซอยได้ลรอบ่อันนี้จอบได้ทัพเพ็งโทษเท่านาเดียวไปก็บยศภาพกับไปนั่งโดนร้ายเพิ่นแหงเป็นโรคใส่เลื่อนอยู่ใส่เพิ่นลูกหนีมันกับบ่งามเพิ่นแหงเป็นคนเจนเกงใจคนก็มีผู้บอกจะคนนี้ จบเจ้าจิต เ, เพทพิมทดเท่าเติ้นายให้เท่าเช่นหนึ่งวปูมาหาไพมาจะใช้เลยเขาเถิงเท่าโหลดเท่าเถงเทาโหลดเล้เนการไม่มมไหวก็บมีประโยชน์เจ้าคนวะจักมาดีมาหาเขาเถงเทาโหลดเท่าถงเทาโหลดเลยเห็หนการไม่มีลูกมีเจ้ากรไดาเลยเติ้นหายให้ยุคคาสียอีไม่มีมันแทงเติ้นหายให้ ไชขอมาอะไรทั้งห่าถังห่าหปัดห้าเป็นแม่ค้าห้าง่าสัลูกเต้ามีบปบปัดบบปลายซอย่าสัก้าคพุทธเจ้าองค์ใดส่งเสริมอบายมุขมีจักพระองค์บอกขาดสารักทัพย์คุณิษในการมุ่มีจตาอบายมุขทั้งนั้นล่ะใช้ไปร่วงเขาทำไมแพศยิบหายทั้งนั้นแหขี่ขานทั้งการงานในทั้งที่สอบมู่งมีจฉาอบายมุขทั้งนั้นแะสักส่วนให้มงมในการเลนมุ่มจฉาอบายมุขทั้งนั้นะ มันมึงไอทะเลเรียผาเนี่ยเดี๋ยวเรียกอวายมุกอะอันนี้บอกจะเป็นขอมันจะซื้อได้นน่มันแม่เมื่อาออรรถละอย่างชีวิตวอบมันจะเป็นอบายมุกทั้งนั้นกมอนไปถ้าอวัยู่ศึกนาซึกปากเหตุบดีผลบดีมันมันก็แม้นอบายวมุกมื่อน่อะมันมันสิมีทอเลเรี่มผาเนี่ยเรื่องยิ่งเรื่องเร่งสุน่าเรื่องเรื่องการพระน้ำควคสัวเป็นเม็ดมุนอบายมุกทั้งนั้น พระหากับไปคบพระป่าประมิดมึงรู้ขันมเดอบายยมุกเน้นห้ากับไปคบเน้นป่าประมิตรมึงรู้ขัมิตรที่เป็นบาปมิตรที่เกจนาบมดีบวชพ้นทุกข์ในบรรดาสงสารเอาวายยมุกทั้งนั้นแหะแผนนี่ขันว่างไปทัางผิดมันก็เป็นแผนทรมลายคือฝ่ามือนะอันนี้ก็ได้ผลของกรรมที่ท่านโมดีมันเป็นอวายยมุกทั้งนั้นแ่ะตูขึ้นกันเพิ่มขึ้กันทิ่ไหนที่มันเป็นบาปมันก็เป็นอวายยมุกทั้งนั้นแหะแล้วของขันเอาหลด ทิ้งไหนมันเป็นบุญมันจะเป็นปงกันขามมันบมมันสีมีเพียงแค่ขีปฏิบัติเท่านั้นทิ้งไดนเป็นบาปมันก็เป็นอบายยมุกเท่งนั้นเพราะมันบาปเยอะซึ่งหนาหาไม่นาผลย่าหายไม่ได้แบียกในฮาบหลังคนหลังั้อมาไรหรือเปบ่า้ามันดีมันบ่ดีห้องของจักือแล้วมันบมมันคนบ่ของจักของจักแท้ๆมันสอนง่ายอยู่มันบอกง่ายอยู่ แันนี้หัวจักตั้งแกงที่มันอุกอยู่อยนี้ต้องเอาขวอมขีดขันมานง่ายออกมาออกใส่เพราะหงจักแท้แท้มันเป็นส่วนหนึ่งนี่มันพัเอาเนาะแน่แน่นี่อันนี้หัวจักมันตังแก่งขั้นละอันพวกมาทําเนื้อทำผ้ามันก็คือกันมันหงจักแล้วมันตั้งแก่งนี่คือนี่มันถ้ามันเปลี่ยนคืนมาใหญ่กแเลยผ่านพระเจ้าประสงค์มาหลายอยู่้ากันว่าเนี่ยเราบอสไปมาล่องมาเสียงมาเป็นเอาเขาข่ามาในวันนี้ว่ามุ่นจะภากันอื่นอื่น เจาะสมก็มีอยู่เป็นปฏิบัติว่าให้เขาได้หรอวะเพราะให้เป็นธุระเขาพูดเดียวมันก็พอถือแล้วห้พองหูบวรักสาวบว้อเข่ามาแล้วนอนชอบร่มตายทานตัวลนกเต้าเเอาตัวรลอดไผ่ตัวรลอดมัน่นขันเอาตัวรลอดมันหลอดอีลีถ้าใครถว่ามันสิข้าได้หรอวะขาา้ขาจมแน่เจ้าอารวาสเพว่าขาไปจมไม่ผู้จมเลยะโดนเราข้าได้จมปีนึงแหละเพราะเราอามาจมเถอก ละสัส่งตามพี่ละหีหีลืงคนวะเท่าว่ไปเอาไฟจุดก้นมาเท่าสิษย์ามาศึกษาก่อนละนินคำเมืดมาแล้วใครมีขอคัดของอะไรก็บอกกันชักกับ ก, กับเนกะ็บเก้บซะยามเดินอยู่กมพ่อหน้าว่าเมเนียไปจับกุมไปคุยกันไปกบเป็นเราบ่เม็นแนว้ด้ีพิดประเภทนี้ย่ำมาเสาร ต, ตื่นขึ้นมาใครเปนท่านในไหวพระพ่ อ, พอหน้านี้ซีหูสีตาเราไปบินทะบาทรดมันก็บอเป็นเอาเนี่ยน่ะ สม า, า ม, มาาวนตื้นพรท่าไปเนบานเพราะว่านนพวกข้าชอวทหารรักพัวม่กินหอกพพัวก็บกินแล้วขาาเขาตืนพรท่านเขางปู่มาหาห้ายเรื่อยสิกิโอ้ยเสื่อเสื่อเ ร, ร่งนั่นแหละป่านนั้นจ้าพปานนี้ได้ใช้ตัวก็ะไรหลวงปู่หมัน่มนมือนคือกันขั น, นชัวพร ห, หากินน้าอุบเบกขาโอยพ่แห้งลูกทิเพิ่นเพิ่นระหากินน้าอุบเบกขาหนาเดียวเมื่อนึงกำพ่้นช่างหนึ่งเป็นคัดผ่า จะค่อยตีมื่อนึงคือคอค่อยตีขอจชงหัวสากตมันดื้อไอ้ตัวมันกรดือดีดีนี่ซับจะจํางินอะเฮาเฮาเฮาไปอะไรมันก็นิ่งมาเป็นข้าวฟ้ผลดีพอดีมันเดง่วงคึ้นมากทีจับคว่าสักค่ดินพอดีข้อดีมันมุนแน่วให้เป็นบังคับคนเสียจะมันแน่วให้เป็นบังคับเราก็ค้นพึ่งกินข้าวฟ้าหัวใจคือกันหลดไปเดียวอาถานพ์เจ้ขอวัดปฏิบัติของตเพื่อรุดเพื่อผลมันจังสแมน ม่มันสิมาอาถาร์สะสมกองกิเลสแดี๋ยวปี น, นึงแหละไม่ววได้หายเี่ก็หายมือ น, นี้แหละแวเจ็บเสพเจบเสเจ็บเสพโลคอะไรได้เคี่ขึ้นแต่ละ ก, กองน่ามาถามว่าแปลงเพเขาเราเอาเงินมายาดให้เขาก็มานอนรับเป็นรับตายอยู่พี่วิศวกรถือมากีบมะพเ้าวยาางไรน่าที่ว่านักมันมีหนักสิขาเจ้ามอมาเห็ด้นามให้นี่ยังทุทกข์ก็นี่อโคนน่ออกขมุกลงหอออกขมอลงหายมาก โเปลียนโส่ายน้าก็ะ็เกตยปปันนี่เขาอยังสิว่าขังยากเขาลาค้า น, นี่ผ <c oughs> มตันบุเมียนนี่เขามาดึงแขนขึ้นมลหกเลยตั้งมา น, าน่าแหละสานักบนนี้เลี๋ยวมงเ ท, าท่าสีตายข้านี่ล่ ะ, <c oughs> ละเราบปดึงมือผู <c oughs> ้ ด, ดึงนด้เขาเป็นหน้าคัต่างสัญญาณเลยเราบอกขึ้นโมลหกติบุเมีดนนี่สำหรับฐานะของสานักนี่เข <c oughs> ามองเพิ่งเบื่อหน้าคาดต่างสัญญาณแหละเขาเลยมาดึงขึ้นเสนอ <c oughs> ให้พูดมลหกเสนอโมลหก มวยขือขีอ่ออยากกันที่ผักทีอยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาในทสษฎีชีวิตกัดสางวัตเดียวเท่านี้แล้วบังบังไรก็คือจังมิจฉาแนี่ยขี่ทุกขี้ยากแคเข้าเจ้าลาว่างสันดกแต่ถ้าถันและคนก็ดีมัดทุกคนน่ะมงเพี ม, มากก็ได้ต้องกักีสักซามวานะน่ะเทศบาลเทมัวมึงข้าเจ้าปดซอยมาเทมัวพ่อตลอดหอดฟังมากมือตาบังพีตีตาบังหนองเลยเล็กน้อยขอม่เขม่ า, าบานนี้มือตา เป็นหงมาจำสรุปละของภายนอกส่วนของภายในส่วนย่อมเป็นย่อมตายก็เพระพูดพระธรรมพระสงค์มันเห็นหงยึดผ้าได้ดอกกันเอกคือเรื่องภายนอกนี่หรอกถอนบม่ออกดอกกั น, นย่อมตายก็เพราะพูธพระธรรมประงสงค์ผลสุดท้ายมือพะวงพุกแย่งย่อมไก่้ี่ตายมุ่นสวัสดิกิ่งไปกิ่งม า, จากจะเสียบหอบกับโคตรตายไว้ท่นซักอ้อมกุตีมูนี่ไว้่านอันนั้นมันช่นเปลี่นช่วตายแล้วพราะพูดพระธรรมประงสงค์ละอล่ะนะถอนบ่ออกดอกดอกัน โมแต่ละโสตายน้ำพุทพระธรรมประสงค์ที่ไปโสตายน้าไผในโลกอันมืวันที่โสตายน้าได้เดีอวนี่นองมึงมดแหละมีคนพ่อทิโซเปลี่ยนโสตายบุมันทังเที่ยอยู่ดเดียวอาปากิงสีตัวนี้เดยนโกคนมาเห็นว่ า, า, าหาาอา้องป็้าอ่ก็อาาเรื่อยๆอาให้หลังอ่ะมืพูดตอถึงเลยน่าสมมติเป็นพุกก ร, ราอทิฐิฐานให้พระพุทธพระธรรมประสงค์ขี่ซะหนคนมาเห็นเรายืนอาปาก ส่ว่าเข้าไปว่าท่าเทืออะขี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมมุิเป็นบุคคลาธิษฐานเนี่ยรวมไปแล้วว่าเจักจะโกรธจะกลา่นทิมาทางนาก็ไม่เจักจะโกรธจะกลา่นเจ้าคนละกายสจ้คนละวิญาณเจ้าคนละใจให้ขี่รถเนียอารมณ์เหยียดย่ำทนลำลายไข้น้าโมกใส่ย่ทุกงอวมีประมาณเปิดอธิษฐานไว้อย่างฉลนดสมเผู้ขาดจองขาดหงมือเลือดไหลเลือดไหลก็ดีแต่เพิ่งกรบะขี่ดอกเดี๋วโค้งขบว่าว่เห็นพระเจ้าพี่ไปสานไ่มขอไปหาพระองค์เจ้า ปาปูน้ำฟาตีนมุนเลี้ยหอยฟาตีนมุนโงเจกีกับปลอยที่เรือกันก็นไรฮะเนี่ยโอเรื่กันกระไ